จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทาบุญให้ทานมารักษาสิง ม, มาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยความศรัท ธ, ธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนในพระอริยสงสากมีความศรัท ธ, ธาเชื่อว่าการปรากฏของพระพุทธศาสนา นั้นเป็นสิ่งที่ยากมากและการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ยากมากเช่นเดียวกันผู้ใดที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีลาภมีโชคเป็นอย่างยิ่งยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก ศาสนาพุทธนี้นานๆถึงจะได้มีมาปรากฏให้เป็นที่พึ่งของสามโลกทั้งหลายเพราะการจะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาได้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏมาตรัสรู้แล้วก็มาประกาศพระธรรมคำําสอนซึ่งนานๆจะมีสักครั้งหนึ่ง คำว่านานก็คือเป็นกับเป็นกันกับหนึ่งนี้เราไม่สามารถเขียนด้วยตัวเลขได้เช่นเหมือนกับตัวเลขหลักล้านหลักแสนเรายังพอที่จะเขียนได้แต่กับนี้เป็นเวลาที่ยาวนานถ้าถ้าเติมเลข0ูนย์เข้าไปก็เป็นหลายแสนเลขด้วยกันถึงจะได้เวลาหนึ่งกับ ดังนั้นเวลาที่ใครได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็จะยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะการซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี้ก็มี1ในล้านที่มีโอกาสจะถูกได้แต่การได้พบกับพระพุทธศาสนานี้มันเป็นนึ่งในหลายล้านล้านด้วยกัน โอกาสที่จะได้มาเจอพระพุทธศาสนาและการเจอพระพุทธศาสนาก็ต้องเจอด้วยการมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ามาเกิดเป็นเดรัจฉานเช่นสุนัข ก, ก็ไม่จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเช่นสุนัขที่มาอาศัยอยู่ในวัดสิ่งเดียวที่เขาได้รับก็คื อ, อที่หลบภัยมีที่อยู่ มีอาหารรับประทานแต่เขาจะไม่ได้รับคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้เขาได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากการต้องมาเกิดเป็นเดรัจฉานถ้ามีถ้าเขาได้มาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็จะมีโอกาสได้มาวัดอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากันในวันนี้ เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมฟังความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุปทรงเห็นว่าพวกเรานั้นเป็นพวกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่และสิ่งที่เราทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดก็คือความหลงความอยากความหลงก็คือเราไม่รู้ว่า เราไม่ใช่ร่างกายเราเป็นใจเราไม่รู้ว่าใจนี่แหละเป็นผู้ที่ต้องรับผลของบุญของบาปร่างกายไม่ได้เป็นผู้รับผลบุญผลบาปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจนี้ยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะใจเป็นธรรมชาติที่ไม่มีวันตายแต่ถ้ามีความหลงก็จะถูกความหลง หนึ่งให้ไปเกิดตามพศต่างๆตามอำนาจของบุญของบาปที่ได้ทำเอาไว้เวลาตายนี้ก็เป็นเหมือนเวลาคิดบัญชีกันระหว่างบัญชีบุญกับบัญชีบาปถ้าบัญชีไหนมีมียอดสูงกว่าเช่นสมมติว่าเรามีบุญบัญชีบุญมีอยู่พันหนึ่งบัญชีบาปมีอยู่สองพัน บัญชีบาปก็จะมีกำลังมากกว่าก็จะดึงใจให้ไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างถ้าบัญชีบุญมีมากกว่าบัญชีบาสเช่นบัญชีบุญมีอยู่สองพันแต่บัญชีบาปมีอยู่เพียงพันเดียวก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ไปสู่สุขติแล้วก็ไปรับผลของบุญ จนกว่าบัญชีบุญจะลดลงมาเท่ากับบัญชีบาปคือพอบัญชีบุญเหลือหนึ่งพบัญชีบาปเหลือหนึ่งพันก็ไม่สามารถอยู่บนสวรรค์ได้อีกต่อไปแต่ก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายเพราะบุญกบับบาปบัญชีบุญกับบาปมีกําลังเท่าๆกันจะดึงไปสวรรค์ก็ไม่ไปจะเดึงไปไปอบายก็ไม่ไป ตอนนั้นก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาที่มาสอนเรื่องบัญชีบาปเรื่องบัญชีบุญให้เรารู้จักกันเราก็จะทำบุญทำบาปกันไปตามอารมณ์ของเราวันไหนเราอารมณ์ดีวันนั้นเราก็จะทำบุญวันไหนอารมณ์ไม่ดีเราก็จะทำบาป แล้วบาปและบุญที่เราทำนี้ก็จะสะสมเข้าไปในบัญชีของบัญชีบุญและบัญชีบาป พ, พอถึงเวลาตายไปบัญชีบุญกับบาปนี้ก็จะมาคิดบัญชีกันถ้าบัญชีบาปมีกำลังมากกว่าก็จะต้องไปเกิดในอบายแล้วไปใช้ใช้บาปจนกว่าบาปกับบุญจะมีกำลังเท่ากันใหม่ ถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้ากลับมาเกิดแล้วไม่ได้เจอกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดหรือเรื่องแห่งการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดคือถ้าเราไม่อยากจะไปเกิดใหม่เราก็มีสิทธิ์ที่จะทาใจของเรานี้ไม่ให้ต้องไปเกิดใหม่ก็ได้ แต่เราต้องปฏิบัติธรรมเราต้องสร้างบุญให้มากๆแล้วก็อย่าทำบาปเช่นวันนี้ญาติโยมมาทำบุญกันแล้วก็รักษาศีลกันแล้วก็มาปฏิบัติธรรมเช่นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมการกระทำเหล่านี้จะเป็นการที่จะหยุดจิตของเราให้ไปเกิดใหม่ได้ เพราะสิ่งที่ทําให้ใจของเราไปเกิดใหม่ก็คือความหลงความไม่รู้เรื่องกรรมนี้เองไม่รู้ว่าเหตุที่จะพาให้เราไปเกิดใหม่นั้นคืออะไรเหมือนกับเราไม่รู้ว่าน้ํามันรถนี้เป็นเหตุที่ทําให้รถวิ่งได้นะถ้าเราไม่มีน้ํามันรถรถก็จะวิ่งไม่ได้ถ้าเราเติมน้ํามันรถอยู่เรื่อยๆรถมันก็จะ วิ่งไปได้เรื่อยๆฉันใดใจของเราก็มีน้ำมันที่จะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆน้ำมันนี้ก็คือความอยากต่างๆหรือความโลภต่างๆนี่เองเวลาเราอยากแล้วเราทาตามความอยากก็เท่ากับเป็นการเติมน้ามันให้กับการไปเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าเมื่อเราอยากแล้วเราทตามความอยาก ความอยากก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเช่นวันนี้เราทําอะไรเราได้อะไรมาตามความอยากของเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกได้คือก็อยากจะได้เป็นสอได้เป็นสอก็อยากจะได้เป็นวา่าความอยากนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ไม่เหมือนกับท้องฟ้ามาหาสมุทรเหมือนไม่เหมือนกับท้องทะเลมาหาสมุทรถึงแม้ว่าจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ยังมีขอบยังมีฝั่งอยู่แต่ความอย่างนี้ไม่มีขอบไม่มีฝั่งมันจะมีกำลังมากขึ้นไปให้เรื่อยๆและมันจะเป็นตัวที่จะฉุดลากใจของเราให้ไปเกิดใหม่ ให้ไปรับผลบุญผลบาปใหม่ต่อไปแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเรามาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราทำบุญละบาปและชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราปฏิบัติตามได้ต่อไปใจของเราก็จะไม่มีความอยากเมื่อไม่มีความอยากแล้ว เราก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปใช้บุญใช้บาปอีกต่อไปเพราะว่าการไปเกิดใหม่นี้มันไม่ดีเพราะว่ามันมีความแก่ความเจ็บความตายตามมานั่นเองไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตายกันแต่เมื่อเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะนี่เป็น ธรรมชาติของร่างกายของสัตว์โลกทั้งหลายมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถที่จะไปห้ามไปบังคับได้ถ้าไม่อยากจะต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็จะต้องทำบุญละบาแล้วก็ชำระทุกความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจให้ได้ถ้าทำบุญและละบาปแต่ยังไม่สามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็ยังต้องไปเกิดใหม่แต่อย่างน้อยก็จะได้ไปเกิดในสุขติคือไปเกิดในภพของเทวดาทั้งหลายแต่ถ้าเราสามารถชำระใจของเราให้สะอาดไม่มีความอยากได้ เราก็ไม่ต้องไปเกิดที่ไหนเราจะไปที่พระนิพพานไปที่อยู่ของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นที่อยู่ที่ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายไม่มีการพลาดพลาดจากสิ่งที่เรารักจากคนที่เรารักมีแต่ความสุขปรมังสุขขังบัลลมะสุข อยู่ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดผู้ที่ไปพระนิพานนี้ไม่ได้ตายไปผู้ที่กลับมาเกิดใหม่ก็ไม่ได้ตายเหมือนกันผู้ที่ตายก็คือร่างกายร่างกายนี้ตายร่างกายของพระพุทธเจ้าของป้าอารหันทั้งหลายนั้นตายแต่ใจของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของพระพุทธเจ้าหยุดการไปเกิดใหม่เท่านั้นเอง การหยุดไปเกิดใหม่นี้ไม่ได้หมายความว่าพ่อพุทธเจ้าหายไปไหนหายไปแต่ร่างกายแต่ใจของพ่อพุทธเจ้าไม่ได้หายเหมือนกับใจของพวกเรานี้เวลาที่ร่างกายเราตายไปใจของพวกเราก็ไม่ได้หายไปไหนใจของพวกเราก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมมีแต่ต่างกับใจของพระพุทธเจ้าตรงที่ว่าใจของเรายังไม่สะอาดยังไม่บริสุทธ ื่อยังไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ก็ยังต้องไปเกิดใหม่เท่านั้นเองเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราใส่ถ้าเราซักจนสะอาดแล้วเสื้อผ้าเราก็ยังมีอยู่เสื้อผ้าเราไม่ได้หายไปไหนสิ่งที่หายไปก็คือคราบสกปรกที่หยุดที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าใจของพวกเรากับใจของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันไม่มีเป็นเหมือนเสื้อผ้า ต่างกัตรงที่ว่าใจของพระพุทธเจ้าได้ชำระจนสะอาดบริสุทธิ์แล้วแต่ใจของพวกเรายังไม่ได้ชำระให้สะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นเราอย่าไปกลัวว่าถ้าเราทำบุญละบาปและชำระใจของเราสะอาดบริสุทธิ์แล้วเราไม่ได้กลับมาเกิดแล้วเราจะหายไปหายสาบสูญไป เราไม่มีวันหายสาบสูญไปมีแต่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขเท่านั้นถ้าเรายังไม่สามารถชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราก็ยังจะต้องทุกข์ต่อไปเพราะความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจนั่นเองลองสังเกตดูถ้าเรามีความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะอยู่ไม่เป็นสุขทันที จะกะวนกวายกังสะกระสายเช่นคนอยากจะสูบบุหรี่ถ้าไม่ได้สูบบุหรี่แล้วจะโหรธเหงิดลำคาญใจคนที่อยากจะดื่มสุราเวลาอยากแล้วไม่ได้ดื่มก็จะหกรธหงิดลำคาญใจก็จะต้องถูกความอยากนี้ลากไปหาบุหรี่มาสูบลากไปหาสุรามาดื่มพอได้สูบหรือได้ดื่มแล้ว ความอยากก็จะสงบตัวลงไปชั่วคราวแต่ไม่หายสาบสูญไปอีกไม่นานพอฤธิ์ของบุหรีหรือฤิ์ของสุราบัรจางหายไปก็จะเกิดความอยากสูบบุหรีอยากดื่มสุราขึ้นมาใหม่แล้วถ้าไม่ได้ดื่มก็จะต้องทุกขทรมานใจนี่คือ ตัวอย่างของความอยากซึ่งมันมีหลายอย่างด้วยการที่พวกเราอยากกันเช่นเราอยากในลูกเสียงกิิ่นนดอยากกินขนมนมเนยอยากดูเครื่องดื่มต่างๆอยากดูอะไรอยากจะฟังอะไรพอเกิดความอยากแล้วถ้าไม่ได้ทำตามความอยากจะหงุดหยิดเศ้าซ้อยน้อยเหงา ว, ว่าวุ่นขุ่นัวขึ้นมา เวลาที่ไม่อยากนี้จะรู้สึกเฉยๆเหมือนตอนนี้พวกเรานั่งฟังเทศฟังธรรมกันเราไม่มีเวลาที่จะไปคิดถึงเรื่องที่จะทําให้เราเกิดความอยากแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวนี่เดี๋ยวเราอดคิดไม่ได้หรือถ้าเราเห็นตู้เย็นนี้เดี๋ยวก็อยากจะไปเปิดตู้เย็นหาอะไรมารับประทานถ้าคิดถึงบุรี่ก็อยากจะสูบบุหรี่ถ้าคิดถึงสุราก็อยากจะส เดิมสุราขึ้นมาทันทีถ้าไม่ได้ดื่มก็จะหงุดหงิดลำคาญใจทุกใจแต่คนถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราจะรู้สึกอยู่เป็นสุขอยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อนกับอะไรนี่คือปัญหาของพวกเราอยู่ที่ความอยากนี้เองไม่ได้อยู่ที่ไหนความสุขความทุกข์ของพวกเรานี้อยู่ตรงนี้ อยู่ตรงที่ว่ามีความอยากหรือไม่มีความอยากถ้ามีความอยากก็จะต้องมีความทุกข์ตามมาถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาถ้าเราชำระความอยากให้หมดไปจากใจของเราได้ใจของเราก็จะอยู่อย่างสุขสบายเช่นใจของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ได้ชำระ พระไทยของพระ อ, องค์จนสะอาดบอิสุดแล้วพระ อ, องค์ก็มีแต่ความสุขตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีก็ไม่สำคัญเพราะใจกับร่างกายนี้เป็นเหมือนคนละคนกันเป็นคนสองคนใจเป็นคนหนึ่งร่างกายเป็นอีกคนหนึ่งใจนี้มีความสุขหรือไม่มีความสุขก็อยู่ที่ว่ามีความอยากหรือไม่มีความอยาก ส่วนร่างกายจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขก็อยู่ที่ว่ามีอาหารรับประทานหรือไม่มีลมหายใจหรือไม่มีน้ำดื่มหรือไม่เป็นคนสองคนมีอาหารมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สุขหรือไม่สุขต่างกันใจจะสุขก็ต้องไม่ทำบุญต้องไม่ทำบาทต้องทำบุญแล้วก็ต้องชำระความอยากให้ได้ ส่วนร่างกายจะสุขก็ต้องมีปัจจัยสี่มีอาหารรับประทานมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งหง่มมีที่อยู่อาศัยเวลาอะไรเป็นเกิดขึ้นกับร่างกายมันไม่ได้เกิดขึ้นกับใจถ้าใจไม่มีความอยากไม่มีความหลงที่จะไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาร่างกายแก่เจ็บตาย ใจจะไม่เดือดร้อนเพราะใจจะรู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายเหมือนเราดูคนอื่นที่เขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราไม่ได้เดือดร้อนไปกับเขาเพราะว่าเราไม่ได้ไปหลงคิดว่าเขาเป็นเราเป็นตัวเราหรือเป็นญาติของเราเช่นเป็นพ่อของเราเป็นแม่ของเราเป็นลูกของเราถ้าเรามีความหลงไปคิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูก เป็นสามีเวลาเขาเป็นอะไรเราก็จะทุกไปกับเขาด้วยทั้งๆที่เราไม่ได้เป็นอะไรไปกับเขาเลยเพราะความหลงทำให้คิดว่าเขาเป็นอะไรกับเราแต่ความจริงเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาเป็นเพียงร่างกายเป็นเพียงอาการสาสบสองเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ เป็นเกิดแก่เจ็บตายคืนนี่คือธรรมชาติของร่างกายของทุกๆคนการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องนี้เป็นเพียงฐานะชั่วคราวเท่านั้นเองที่เรามาเหมือนกับเล่นละครกันเรามาเกิดคนที่ให้กําเนิดเราก็เรียกว่าพ่อเรียกว่าแม่แต่ความจริงเขาก็เป็นเพียงร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ส่วนตัวพ่อแม่นั้นอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเวลาร่างกายตายไปตัวพ่อตัวแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวพ่อตัวแม่ก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่พอไปเกิดใหม่ก็ไปเล่นเป็นรูป ก, ก่อนเวลาออกมาจากท้องพ่อแม่ก็เป็นรูป ก, ก่อนพอโตขึ้นได้สามีได้ภรรยาพอได้ลูกก็ถึงมากลายเป็นพ่อแม่ใหม่ แต่นี่ก็เป็นเพียงร่างกายเท่านั้นเองที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเรามีธรรมะเราคอยสอนใจให้รู้ความจริงว่าร่างกายนี้เป็นเพียงร่างกายไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกตัวลูกตัวพ่อตัวแม่นี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ใจที่ไม่ตายใจนี้เป็นเหมือนตัวละคร ส่วนร่างกายนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนหัวโขนที่มาสวมใส่ให้ตัวละครเล่นเรามาสวมหัวโขนกันสวมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาแต่พอร่างกายนี้มันบทสภาพเล่นละครต่อไปไม่ได้เขาก็เอาไปเผาทิ้งไป กลายเป็นขี่เท่ากลายเป็นเศษกระดูกไปแต่ผู้ที่มาเล่นผู้ที่มาเล่นบทร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายคือพวกเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพวกเราที่กําลังฟังเทศฟังธรรมอยู่นี้ไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายฟังไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนเวลาคนตายไปพูดกับคนตายดูสิ รูว่าเขาจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าเพราะว่าใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแล้วแต่ตอนนี้ร่างกายของเรามีใจอยู่เวลาเราพูดอะไรใจก็จะรับรู้ผ่านทางร่างกายร่างกายรับเสียงเข้ามาทางหูแล้วก็ส่งไปที่ใจถ้าเกิดหูหนวกก็จะฟังไม่ได้ยินเสียงก็จะฟังไม่รู้เรื่องใจต้องอาศัยร่างกายไว้รับเสียงไว้รับภาพ แต่ใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงตัวแทนหรือเป็นหุ่นที่ทำหน้าที่รับลูกเสียงกลิ่นรสแล้วก็ส่งไปให้ใจใจรับรู้แล้วก็ถ้ามีความหลงก็จะยึดติดก็จะอยากให้ดีอยากให้สุขอยากจะให้สบายแต่คนที่ไม่หลงก็จะรู้ว่า ไม่ว่าร่างกายจะสุขจะสบายหรือไม่ก็ตามไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่ร่างกายรับรู้แล้วส่งมาให้ใจรับรู้อีกต่อหนึ่งนี้จะอยู่ในแบบไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะใจก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนคนดูละครเท่านั้นร่างกายจะเป็นอะไรไปจากการได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเช่นสัมผัสกับเสียงด่าของคน หรือว่าสัมผัสกับของแข็งเช่นถูกคนตีศีรษะอย่างนี้ผู้ที่รับเคราะไม่ใช่ใจผู้เป็นเหมือนคนดูละครผู้ที่รับเคราะก็คือร่างกายแต่ถ้าใจหลงก็จะไปคิดว่าตนเองเป็นผู้รับเคาะจะเจ็บไปแทนร่างกายทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ได้เจ็บเลยคนดูละครเจ็บหรือเปล่าเวลาคนเล่นละครถูกทุบตี คนดูก็ไม่ได้เจ็บด้วยแต่ถ้าหลงก็ไปเจ็บแทนคนแสดงก็มีดูแล้วก็ไปเจ็บแทนคนแสดงเพราะหลงเพร ไ, ไปคิดว่าตนเองเป็นผู้แสดงละครนี่คือความจริงของร่างกายกับใจเป็นคนสองคนคนร่างกายนี้เป็นเหมือนเป็นลูกน้องใจนี้เป็นเหมือนเจ้านายใจนี้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่าง แต่ผู้ที่รับเคาะก็คือร่างกายไม่ใช่ใจผู้สั่งการคือถ้าเกิดใครมาทุบตีร่างกายก็ร่างกายเป็นผู้รับการถูกทุบตีแต่ผู้ที่มาสะเทือนมาเดือดร้อนแทนร่างกายก็คือใจที่หลงใจที่ไม่รู้ว่าร่างกายไม่ได้เป็นใจนั่นเองถ้ารู้ว่าเป็นใจใจก็จะเฉยเฉยไม่เดือดร้อนอะไร หน้าที่ของพวกเราจึงต้องมาพยายามสอนใจให้ฉลาดให้รู้ว่าใจไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้เป็นอะไรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ไม่ได้มาเกิดที่ใจหรือว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆที่เราไปหลงคิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นญาติสนิทมิตหาย เป็นเพื่อนเราอย่างนี้เขาก็ไม่ได้เป็นเขาเป็นเพียงดินน้ำลมไฟร่างกายของเขาตัวของเขาเองเมื่อร่างกายเขาตายไปเขาก็ต้องไปต่อถ้าเขายังมีความหลงยังมีความอยากอยู่แต่ถ้าเขาฉลาดเขาไม่หลงแล้วเขาไม่อยากแล้วเขาก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่ แล้วก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายอันใหม่เหมือนกับที่พวกเรากำลังทุกข์กับร่างกายอันนี้อยู่แต่ถ้าเรารู้ทันว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นเราเราปล่อยวางได้ไม่ยึดไม่ติดไม่ไปอยากไม่ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เราจะไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายแก่เจ็บตายนี่คือการชำระความอยากชำระความหลง ต้องชำระด้วยความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุ้แล้วนำมาสั่งสอนพวกเราให้พวกเราหายโง่ให้พวกเราฉลาดถ้าพวกเราฉลาดพวกเราต้องรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราต้องรู้ว่าทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไม่ใช่ของเราต้องรู้ว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องไม่ใช่เป็นของเราเป็นของชั่วคราวเท่านั้น สักวันหนึ่งทุกคนก็จะต้องจากกันไปคนละทิศคนละทางถ้าเรารู้อย่างนี้เวลาเกิดการาพลากจากกันเราจะไม่รู้สึกเสียอกเสียใจเศร้าโศกเสียใจแต่อย่างไดพอรู้ว่าไม่มีใครตายนั่นเองร่างกายนี้ไม่มีใครอยู่ในร่างกายผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่อยู่ในใจที่ไม่ตายนี่คือ งานที่พวกเราต้องมาทำกันถ้าเราอยากที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าเราอยากที่จะไม่ต้องมาทุกข์ทรมานกับเรื่องราวต่างๆอย่างที่กำลังทุกข์ทรมานกันอยู่เราต้องสอนใจให้รู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเราต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ถ้าเราปล่อยวางได้แล้วเราจะสบายใจเช่นคนอื่นเวลาเขาเป็นอะไรเราเดือดร้อนหรือไม่ คนที่เราไม่ไปหลงคิดว่าเป็นญาติของเราเป็นพี่ของเราเป็นน้องของเราเวลาเขาเป็นอะไรเราเดือดร้อนหรือไม่เราไม่เดือดร้อนทั้งๆที่ร่างกายของเขากับร่างกายของญาติก็เหมือนกันเป็นเหมือนกันเป็นเพียงร่างกายความทุกข์ของเราเกิดที่เราไปหลงยึดติดกับเขาพว่าเขาเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกของเราเท่านั้นเอง ดังนั้นเราต้องมองร่างกายของทุกคนไม่ว่าจะเป็นของพ่อของแม่หรือของเราเองต้องมองว่าเป็นเหมือนของคนอื่นถ้าของคนอื่นเป็นอะไรไปเราไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ควรจะเดือดร้อนกับร่างกายของเราหรือของพ่อของแม่เราเพราะเป็นเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันดินน้ำลงไฟเหมือนกันไม่มีตัวตนเหมือนกันนี่คือความจริงถ้าเราเข้าถึงได้แล้ว รับรองได้ว่าเราจะไม่ทุกข์กับใครต่อไปใครจะเป็นใครจะตายเราจะไม่ทุกข์เราจะเป็นเราจะตายเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้เป็นไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั่นเองมีเกิดควาดการการตรัสรู้ของพ่อพุทธเจ้าประโยชน์ของพ่อพุทธศาสนาและประโยชน์ของการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพื่อที่จะได้มาศึกษา และเข้าถึงความจริงที่จะทําให้เราไม่ต้องทุกกับอะไรอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือโอกาสอันดีอันเลิศอันปรื่องที่พวกเราได้มาพบกันในครั้งนี้ถ้าเราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่พบพระ พ, พุทธศาสนาก็จะไม่ได้รับประโยชน์เกิดมาถ้ามีพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ แต่ตานเป็นเดราฐานอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์หรือเกิดเป็นมนุษย์เกิดประพบกับพระ พ, พุทธศาสนาแต่ไม่สนใจศึกษาไม่สนใจฟังเทศฟังธรรมก็จะไม่ได้รับประโยชน์ดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงใช้ประโยชน์ของพระพุทธศาสนาและของการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่เป็นสิ่งที่ยากแสญญญนยากนี้ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่เถิดน้าขึ้นให้รีบตัก เราสามารถตักตวงประโยชน์ทั้งหลายได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่พอเราตายไปแล้วเราจะหมดโอกาสกลับมาเกิดใหม่ในคราวหน้าก็ไม่รู้ว่าจะพบกับพระพุทธศาสนาอีกหรือไม่ดังนั้นขอให้รีบตักตวงผลประโยชน์เสียตั้งแต่วันนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่เสียชาติเกิดการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไวเพียงเท่านี้